148อัาตมาก็ยืนยันตามพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกแต่พออาตมาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศยืนยันขึ้นในยุคนี้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเข้าป่าเป็นศาสนาของคนเมืองปกติสามัญปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำอาชีพอยู่ก็ปฏิบัติทําให้บรรลุมรรคผลได้สัมมาอาชีวะทำการงานอะไรอยู่ก็ตามก็ปฏิบัติให้บรรลุบรรลุมรรคผลได้สัมมากรรมมันตะพูดอยู่ก็ปฏิบัติทําให้บรรลุมรรคผลได้สัมมาวาจา นึกคิดอะไรอยู่ก็ปฏิบัติทําให้บรรลุมรผลได้สำมาสังบปะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำคัญอันเอกของพุทธคือมรอันมีองแ์ดเป็นนวัตกรรมของพระพุทธเจ้าที่ฉีกแนวในยุคโน้มต่างจากส่วนใหญ่เขาที่ทั่วไปเขาทำ ไม่แยกชีวิตออกจากการปฏิบัติธรรมเลยทุกคนปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลาที่มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างไม่ตายนั่นเองก็มีสติปฏิบัติธรรมมีสติเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างสำคัญนี่คือหลักปฏิบัติอาณาปานสติและหลักปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน จะยืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติธรรมของพุธได้ทุกเวลาได้ทั้งลืมตาหลับตาก็ทํากายสังขารให้ระงับจากกิเลสกายะสังขารังปัดสัมภยังทาจิตสังขารให้ระงับจากกิเลสจิตสังขารังปัดสัมภยังขอให้สั ม, มาทิฏฐิเถอะ ปฏิบัติอย่างนี้คือวิธีปฏิบัติมหาสติปัฏฐานและอาณาปานสติไม่ใช่ปฏบิบัติกันได้แค่ตอนนั่งหลับตาเข้าไปในผวังดังที่หลงผิดการอย่างคนในยุก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกหรือเอาสูตรอื่นอื่นอีกมากมายแม้แต่พรหมชาลสูตร ที่งมงายกันอยู่แต่หลับตาทำรรเจโตสมาธิหลงจมอยู่แต่ในภาวะอดีตอนาคตนี้คนยุคนี้กลับฟังไม่ขึ้นกลับเห็นไม่ได้ว่าที่อาตมาพูดโดยเอาของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมายืนยันนี้มันอันเดียวกันก็ยังดันทุรางยึดถือเชื่อถือกันอยู่ว่า ต้องปฏิบัติในป่าต้องหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างที่ได้ติดยึดลงยึดกันอยู่นั่นแหละแถมหาว่าอาตมาพูดผิดซ้ำซี่อีกเป็นพวกขบฏมาทำลายศาสนาพุทธกันไปโน้นมันยังไงกันหนอ